กรรมที่ทาให้มีลูกปัญญาอ่อนถามพ่อแม่ทำกรรมอันใดไว้ถึงมีลูกเป็นเด็กปัญญาอ่อนหรือครับผมมีญาติที่มีลูกชายเป็นเด็กออทิสติกพ่อแม่เด็กเคยทําอาชีพเกี่ยวกับอบายมุขทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ให้หลงไหลาการพนันใช่เป็นเพราะทําอาชีพแบบนี้หรือเปล่าครับ และพ่อแม่เด็กควรทำอย่างไรตอบการมอมเมาสังคมด้วยการพนันคงไม่เกี่ยวข้องกับการมีหรือไม่มีลูกปัญญาอ่อนหรอกครับการพนันคือเหตุแห่งความเสื่อมทรัพย์เมื่อประกอบเป็นอาชีพย่อมหมายถึงการนาความเสื่อมทรัพย์มาสู่คนหมู่มากวิบากย่อมเป็นการเสื่อมทรัพย์เสื่อมลาบ ซึ่งจะให้ผลช้าหรือเร็วก็ต้องขึ้นอยู่กับบุญเก่าเช่นทานบารมีจะแข็งแรงหรืออ่อนแอเพียงใดหากอ่อนแอก็เห็นผลเร็วทันตาหากแข็งแรงก็ช้าหน่อยบางทีอาจต้องรอกันชาติหน้าโดยเฉพาะถ้ารูปแบบการประกอบอาชีพไม่ได้ส่งเสริมการพนันอย่างโจ่งแจ้งกรรมเกี่ยวกับการเป็นเด็กปัญญาอ่อนนั้น สาเหตุมีได้หลายประการในที่นี้จะยกเอาประเด็นเห็นง่ายหน่อยเช่นคนจ้างวานเผาโรงเรียนโตคนเผาโรงเรียนหรือพวกหยิบยื่นความช่วยเหลือประเภทนี้สิทธิ์ได้เกิดเป็นเด็กปัญญาอ่อนสูงมากแต่ถ้าไม่ได้ลงมือแค่มีส่วนรู้เห็นหรือแม้ชื่นชมให้กำลังใจบ่อยๆเพราะเป็นพวกเดียวกัน เท่านี้ก็มีสิทธิ์ได้เป็นพ่อแม่เด็กปัญญาอ่อนแล้วเพราะมีส่วนในการให้กำลังใจพวกที่จะต้องปัญญาอ่อนจึงเท่ากับยินดีรับพวกปัญญาอ่อนมาเป็นภาระของตนนอกจากนั้นขอให้พิจารณาว่าการเลี้ยงลูกที่เป็นปัญญาอ่อนแม้จะรักแสนรักเพียงใดอย่างน้อยก็ต้องเศร้าโศกเสียใจ นั้นเหนื่อยหนักในการแบกภาระเกินพ่อแม่ธรรมดายากมากที่จะหวังชื่นใจในความสาเร็จของลูกหรือกระทั่งหวังฝากผีฝากไขไว้กับลูกเมื่อพิจารณาถึงกรรมมันเป็นต้นเหตุกรรมอันมีน้ำหนักสมเหตุสมผลก็จะเป็นประเภทยัดเยียดภาระหนักภาระอันน่าเศร้าโศกให้แก่คนอื่นมาก่อนแม้กระทั่งการเอาแต่ใจตัวเอง ดื้อแพงกับพ่อแม่ตั้งใจก่อเรื่องโง่ๆหน้าปวดหัวให้พ่อแม่อย่างหนักแถมโตขึ้นก็ไม่สำนึกยังกลับจะทำตัวเรียดไถ่พ่อแม่ทำให้พ่อแม่เจ็บช้ำน้ำใจด้วยประการต่างๆตายไปก็มีสิทธิ์ลงต่ำหลังใช้กรรมในภพบเบื้องต่ำถ้ามีเหตุให้ขึ้นสูงถึงมนุษย์อีกก็มักจะเจอปัญหา และเรื่องร้อนใจไม่รู้จบรู้สิ้นแม้ที่สุดคือมีลูกก็ได้ลูกปัญญาอ่อนสมน้ำสมเนื้อกันกันกบที่เคยตั้งใจทำเรื่องโง่ๆงให้พ่อแม่เศร้าโศกถ้าเคยคิดว่ากรรมที่ทำไว้กับพ่อแม่ไม่เท่าไหร่รีบเปลี่ยนความคิดเธอครับเพราะตอนรับผลตรงๆเป็นความเดือดเนื้อร้อนใจเกี่ยวกับลูกหลานแล้วจาได้เป็นฉากๆว่า ไอ้ที่ประสบอยู่นั่นเป็นสิ่งที่เคยทำไว้กับพ่อแม่อย่างไรบางทีอาจสายเกินกว่าจะแก้อะไรแล้วต้องแบกวิบากหวม อ, อรไทยกันยืดเยื้อยาวนาน